วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มารวมกันถวายพระทหารและทาบุญตักบาตรถือว่าเป็นวันกกเกษียณอายุราชการของผู้ที่ผู้ที่ทงานเสียสละชีวิตทั้งชีวิตได้ทุ่มเทชีวิตทํางานราชการ เป็นครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็นผู้นําชุมชนในแต่ละเขตหรือ ว, ว่าแ ต, แต่ละพื้นที่ที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่ทราบว่าวันนี้ทั้งเอิรี่ด้วยทั้งกเกษียณอายุด้วยทั้งหมดมีอยู่สามสิกว่าท่านก่อนรู้สึกว่าทรัพยากรทรัพยาทรัพยากรของชาติได้ล่วงหล่นลงไปสามสิบกว่าในเขตพื้นที่ของพวกเรา แต่เขตหน่วยงานอื่นอีกต่างหากก็คิดว่าน้ำใหม่น้าใหม่ไหลเข้ามาน้ำเก่าก็ไหลออกอันนี้เป็นธรรมชาตินะแต่ถือยังไงก็ตามถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายคณะผู้กเกษียณอายุราชการก็จะได้พักผ่อนพูดง่ายๆ แต่อย่าไปทุกนะอย่าไปเครียดอย่าไปทุกนะเมื่อออกจากงานแล้วแสดงว่าเราทํางานให้เต็มที่แล้วทํางานให้แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่แล้วเป็นโอกาสที่พวกเราจะพักผ่อนและคราวนี้นะแต่ก็เมื่อออกไปเมื่อพักผ่อนน่ยพวกเราก็อยา่าอย่าไปออกนอกลูก่นอกทางบางคนก็พอกเกษียณราชการออกไปไม่รู้จะทํำยังไงไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานแล้วก็แล้ว พระธอยุทธ์ไปนั่งเฝ้าซาปาไปตกเบ็ดตัวดําค้ําเคียดไปหมดพราะไม่รู้จะทํำยังไงอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนะไปรู้จะทำยังไงไปตกเบ็ดไปไ ป, ไปชนไกลบ้างชวนมูไปกินเหล้าบ้างไปเล่นใ ห, ให้โลเล่นการพนันบ้างไปหาเที่ยวไปแข่งบ้างไฟบ้างลักษณะอย่างนั้นตามไม่จริงใช้ชีวิตให้ไร้ประโยชน์จริงๆถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น ลงพ่อว่านะถ้าหาว่าไม่มีอะไรก็ให้มาช่วยมาช่วยการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์พูดทรงคุณวุฒิมาเก็บบัญชงบัญชีมาดูแลมาอะไรให้แก่โรงเรียนก็ยังมีประโยชน์กว่าที่จะไปทําอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อบอกเปล่าแต่ถ้ามากกว่านั้นหลวงพ่อว่าเมื่อเราน้อยหนุ่มตโมตมะปรายโนตโมตมะแปลว่าพวกเรายังน้อยหนุ่มเราไม่ได้สนใจเรื่อง สินเรื่องทำรรเราไม่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดีเรื่องด้าน จ, จิตใจเราก็หมกมุ่นในการการทําการทํางานทํามาหาเลี้ยงชีพเราก็ทําการทํางานอย่างสุดสุดแต่บัดนี้เราปดระหว่างแล้วอายุของเราหกแล้วหรือเราเออรี่แล้วเราก็ออกมาพอออกมาแล้วก็เออเราควรจะทําชีวิตของเราให้ โชติโชติคือชดช่วงหรือว่ามีแสงสว่างนําธรรมะเข้าสู่จิตใจสมัยก่อนเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุบเนอะตมโอตมะไปว่าหมกมุ่นในในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแต่บัดนี้เมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราควรจะมองหาทางทางเดินของเราทางไปของเราทีนี้เพราะว่าของทางเดินของเรามันยังมีอีกนะไม่ใช่ว่าจะ จ, ะจบอยู่เพียง เพียงเท่านี้ชีวิตของพวกเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพวกเราต้องคิดไว้อยู่เสมอถึงอย่างไงอายุของเราเท่าไหรสิบแล้วเนี่ยเกษียณละหกสเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีที่มองดูซิที่พวกปู่ย่า ต, ตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราที่ท่านจากไปในะอายุของท่านเท่าไรเราละ่ะเราจะเป็นอย่างพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นไหม อันนี้เราก็มองหาหนทางของตนเองมันจึงจะถูกนะจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีอาศัยฟังธรรมะเทศนาถ้าอยู่แต่อยู่บ้านผืออย่างเนี้ยเนีนี่ก็อยู่เนี่ยไปวัดหลวงปู่บุญมีบ้างวัดหลวงปู่โคนบ้างไปฟังธรรมะจากท่านจากนั้นกันไปรักษาจิตไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอันนี้คือหาหนทางเข้าสู่จิตใจเพราะเราโสแสงหาเลี้ยงชีพคือหาเลี้ยงร่างกายมานมนานแล้ว ถึงหกสปีเออหาเลี้ยงร่างกายหาเงินหาคําทรัพย์สมบัติหาปัจจัยสี่มาเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่บัดนี้เราหาธรรมะเข้าสู่จิตใจหาจิตหาธรรมเข้าสู่จิตใจอาหารกายอาหารใจมันต่างกันนะคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานนะอาหารกายก็คือปัจจัยสี่อาหารใจก็คือธรรมะคือหลักเหตุผลถ้าพวกเราเข้าสู่หลักธรรมะทําจิตทําใจเออปล่อยวาง ปกคำว่าปล่อยวางคำนี้พวกเราก็พอได้ยินขึ้นมาแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะปล่อยวางยังไงแต่ตามจริงถ้าว่าผู้ที่สนใจหรือศึกษาธรรมะแล้วก็ว่าปล่อยวางคำนี้เนี่ยจะรู้ในใจของเราเลยปล่อยวางยังไงอย่างหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าใช่เลยที่หลวงพ่อคูณหลวงพ่ออินเนี่ยปล่อยวางก็ปล่อยวางได้สิพ่อหลวงพ่อเป็นพระไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมาย เพราะเป็นสมบัติของวัดแต่พวกเรามีครอบ ม, มีครัวมีสามีภรรยาลูกหลานเงินครับทรัพย์สมบัติพวกเราบริหารจัดการจะไปปล่อยวางได้ยังไงไอันนี้ก็คือพวกท่านทั้งหลายค ง, คงจะนึกเถียงในใจพระเวลาพระพูดขึ้นมาพวกเราคงจะเถียงในใจอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงคําว่าปล่อยวางคํานี้หลวงพ่อคูณไปถามเลยสิวัดของท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเท่าไหร่ เนี่ศาลาของท่านเท่าไรค่าใช้ใจ่ายของท่านเท่าไรมากมายแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเพราะท่านผู้คนมาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าสูงไม่รู้ว่าต่ําไม่รู้ว่ารอบด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องวัดวาศาสนารัแนแลแต่สมภารจะต้องเป็นผู้รับผิด ช, ชอบทั้งหมดเออแล้วจะปล่อยวางยังไงเออถ้าไม่ปล่อยไม่รู้จักปล่อยวางหลวงพ่อคูณก็ต้องทุกใหญ่หลวงพ่ออินก็ต้องทุกใหญ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมีสามีภรรยาลูกหลานเงินคาทรัพย์สมบัติบางทีหาเงินมาก็ขาดไม้ขาดมืออีกต่างหากมีความทุกข์ยายอีกจะปล่อยวางอย่างไรนี่อันนี้แหละหลวงพ่อบอกว่าเวลาปล่อยวางนะนะั่นเวลากลางวันหรือว่าเวลาทำงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องดูต้องแล้ต้องออประครบปังงมในการในงาน ผู้มาเกี่ยวข้องเราจนต้องโอภาปาศิสนธนาปารพบให้ถูกกับโลกสมมติแต่ว่าเมื่อกลางคืนหรือว่าเมื่อเวลาเราว่างนะเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ ว, ลวเราหลับตาพิวแล้วก็นึกในใจหลวงพ่ออินเอ้หลวงพ่อคุเอูเนยถึงหลวงพ่อจะรับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะ่ะหลวงพ่อคุูหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมด เอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายเขาก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งสองของอย่างอื่นเราจะไปแบกภาระทุระจนหนักกกหนักใจจนเครียดจนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วออถ้าว่าโกรธขึ้นมากะฆ่าคนไดออ้มันไม่ถูกนะหลวงพ่ออินหลวงปู่คูนะอันนี้หลวงพอ่ออินหลวงปู่คูก็ต้องปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจตัวเองแต่ข้างนอกเราออกมาแล้วก็ทางาน แต่ในใจส่วนลึกแล้วเราปล่อยวางที่ใจนี่แหละถ้าเรารู้จักปล่อยลูกจักวางที่ใจอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าถึงเราจะกเกษียณอายุราชการหรือจะไปทํางานณสถานที่ใดพวกเราถ้ารู้จักปล่อยวางและจะมีความสุขในใจลึกๆนะแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เครียดเครียดเครียดอยู่ในใจนะมีแต่ยึดมีแต่คนนั่นก็ไม่ถูกใจคนนี้ก็ไม่ถูกใจมีแต่โกรธโมโหโกธานในจิตใจใจของเราเครียด ใจของเราก็มีความทุกข์ในเมื่อมีความทุกข์แล้วก็นั่นแหัหาความสุขสบายไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัทยายิษฐานโยมลูกหลานครูบาอาจารย์ทุกคนนะเมื่อกเกษียณอายุราชาการแล้วก็ทำใจให้สบายให้ปล่อยวางให้รู้จักหน้าที่ของเราคืออะไรในช่วงนี้แต่ช่วงผ่านๆมาหน้าที่ของเราคืออะไรต้องรับผิดชอบอะไร แต่บัดนี้เมื่อผ่านช่วงนั้นไปแล้วหน้าที่ของเราต่อไปภายภาคหน้าคืออะไรนี่เป็นหน้าที่ของเราพวกเราจะต้องคิดจะต้องหันหน้าต่อวัดวาศา ส, าสานาต่อคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทันตรัตไว้ว่าตายแล้วไม่สูนอันนี้หลวงพ่อบอกไว้กับคณะทายาโจมไม่ลุ้กี่ครั้งตัวกี่หนเพราะว่าคนยุคสมัยนี้เขาว่าตายแล้วไม่เห็นมาบอกมากล่าวให้พวกเราแต่พวกเราอยากอยารู้ ก็าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์ให้นั่งภาวนาให้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเอ ง, เองว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอย่างกันร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถใจกับกายกายกับใจในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสาคัญคนขับรถมากกว่า เรียกว่านมามธรรมรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนมามธรรมคือจิตใจคือคนขับรถเห็พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันถ้าคนถ้ารถถ้าไม่มีคนขับรถจะไปได้อย่างไรถ้าเมื่อคนขับแล้วตัเองพอขึ้นขับรถก็บีบแกไปเรื่อยดาไปเรื่อยเออคนที่มาใกล้ๆก็บีบแกใส่คนที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายอ ย, อยู่ในละแวกนั้นเขาก็ลาคาญเหมือนกัน เ, เขาก็โกรธให้คน คนขับรถเหมือนกันนี่แหละแกลนั่นคือใครก็คือการพูดน่ยพูดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำํำพูดไม่รู้จักกาละเทศะไม่ทูกไม่รู้จักบุคคลเออเพราะในส่วนคนที่อยู่ใกล้กั็ลาคาญเหมือนกันนะคนบีบแกลไม่รู้จักจบแต่ว่าแกลมันมีประโยชน์อยู่แต่ว่า ม, มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังบีบแกลเป็นครัง้งเป็นคราวมันก็เกิดประโยชน์นอันนี้แกลก็คือปากของเราและรถคืออะไรก็คือรถก็คือร่างกายของเรารถของเราเนี่ โซเฟอร์เข้าไปแล้วก็ขับไปเหยียบผู้เหยียบคนเหยียบหมูเหยียบม้าเหยียบเด็กเหยียบผู้เท่าคนผู้แก่ชนไปเลยเขาว่ารถรถคันนั้นไม่ดีอย่างงั้นใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ว่ารถไม่ดีแต่โซก็ว่าโซเฟอร์ไม่ดีเฮ้โซเฟอร์ไม่รู้จักกาละเทโสงสงสัยโซเฟอร์เป็นบ้าและโซเฟอร์เมาโซเฟอร์ไปมีคุณธรรมในจิตในใจฮ้อันนี้เขาตําหนิโโซเฟอร์นะเขาไม่ได้ตําหนิรถนะเพราะตํารถมันจะไปได้ก็เพราะโซเฟอร์เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคือสรุปแล้วก็คือเรื่องโซเฟอร์เป็นเรื่องใหญ่มากสรุปแล้วโซเฟอร์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอขอขอให้พวกเราคณะทาญ า, า, าิโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะศึกษาศึกษากิริยามารยาทของโซเฟอร์ เราจะรู้จักได้ยังไงโซเฟอร์พระพุทธเ จ, จ้าว่าให้นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเมื่อพวกเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจนั้นคนละอย่างกันแต่ร่างกายแตกตายสลายแน่นอนลงสู่ดินน้ำลงไฟเผาไฟทิ้งแ น, แน่แต่ส่วนจิตใจนามธรรมนั้นจะออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นผู้รับบุญรับบาป เระนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมคําสอนของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปพวกเราก็ได้กราบได้ไหว้กระดูกของท่านอัติธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแสดงว่าพวกเราได้เกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้อย่างพบพระอรหันต์อยู่นะ ยังพบ พ, บพระอาหารหันต์อยู่คือกร ะ, กระดูกอธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาเพราะนั้นขอให้พวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตให้ประกอบแต่คุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่นอกประชาชนชุมชนก็ขอให้พวกเราช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทำนะํำอย่างเมื่อวานวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนวันที่26วันที่26นะ่ส หลวงพ่อเองทางโรงพยาบาลสูตุดอนก็เข้ามาหาหลวงพ่อแต่ก่อนหน้านี้แหละนานแล้วแหละแต่แต่ปีใหม่เขาว่าเขาอยากจะได้เครื่องผ่าตัดตับมะเร็งตับหนึ่งอีสานเหนือของเรามีมากมะเร็งตับก้อนในตับใบไม้ในตับตับแข็งโดยมากก็พวกกินเหล้านะพวกกินของดิบนะมะเร็งตับเยอะในไทยอีสานเหนือของเราแต่ไม่มีเครื่องมือผ่าตัด หลวงพ่อของเครื่องมือผ่าตัดโดยเทินเขาอะเขามาหาเนะี่ยหลวงพ่อเออเอาทางโรงพยาบาลเงินก้อนนี้มีกองทุนเท่าไหร่เขาว่ามีอยู่ห0 0แสนเออหลวงพ่อขอหลวงพ่อช่วยสัก1นล้านเออหลวงพ่อเออเอารับเนีเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อมาแล้วเมื่อสองเดือน3เดือนที่ผ่านมาก็เอามาใช้ในโรงพยาบาลสูงดูดอ่อนแล้วอันนี้ก็ผ่าตัดตับได้20่สกว่าคนแนะล้หลวงพ่อเหมือนกันแล้วมะเร็งตับเหมือนนผ่าเข้าไปแล้วเลือดจะไม่ออกเครื่องมือตัวนี้เนะี่ย หลวงพ่อก็ได้จ่ายะตังไปเมื่อวันที่26เนี่ยล้านหนะ้าทางโรงพยาบาล5 0 0แสนของหลวงพ่อล้านหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือการสงข้ออนุเคราะห์ชุมชนและสังคมพระสงฆ์ไม่ได้มองข้ามนะคณะสัต ย, ยาญาติโจมลูกหลานครูบายอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็พร้อมกันกับวันก่อนหน้านั้นไปอีกเนะ่ลงเรียนน้ำสมพิทยา ค, คมซื้อรถขึ้นมาแล้วเงินยังขาดอยู่แสนี่ หลวงพ่อก็ได้มอบให้พ่ออ๋อจุจิตนี่เนี่ก็รู้อยู่เนี่เป็นพ่อขอให้พ่ออ๋อจุจิตเป็นผู้ประสานหลวงพ่อก็มอบให้อีกหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามชุมชนและสังคมและก็พร้อมกันทางศาสนานี่หลวงพ่อก็ไปกับคารวะหลวงปู่ลีเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ถวายหลวงปู่ลีไปอีกเพื่อสร้างเจดีหลวงปู่ลีอันนี้ก็ช่วยๆกันเนอสร้างเจดีหลวงปู่ลีนะผ้าแดงนะหลวงพ่อกถวายไปอีก 50,000 น นี่แหละอันนี้ก็ถึงศาสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามแต่จะตุวปัจจัยหลวงพ่อได้มาอย่างไงได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็แล้วกันศรัทธาญาติโยมถวายคนะเล็กคนน้อยหลวงพ่อก็เก็บเก็บไว้ใช้ในวัดก็เออมันพอใช้พอเป็นพอไปเราก็ไม่ได้สร้างอะไรมากแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคมแล้วก็วันที่7และวันที่หนึ่งที่จะถึงในน่นะาคศรัทธาญาติโยมทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจะมาออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับการสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาที่วัดปา่าบันตาดนะ 16นาฬิกาขอเชิญชวนพี่น้องลูกหลานคณะสถาน ญ, ญาติโยมไปร่วมฟังว่าการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์กองหลวงตาในจะทำกันยังไงเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติเพราะหลวงตานี่หาทองคำเข้าคลังหลวงทั้ง13ตันตรงพอยังฟังอยู่ในวิทยุเมื่อเช้านี่ว่าดอลล่าอีก10ล้านกับ2แสนกว่าดอลลที่หาเข้าคลังหลวงแล้วก็ ที่เงินบาททุกวันนี้เงินบาทของเราทุกวันนี้แข็งปกก๊กเพราะอะไรก็เพราะว่าเครดิตของประเทศไทยคือทองคำของของเราเนี่ยค้าอยู่ในคลังหลวงเออมันก็เลยเงินของเราก็เลยเนี่ยมีคุณค่าก่อนที่จะมีคุณค่าเรานั้นเกิด อ, อะไรก็คือหลงตาของเราเนี่ส่วนหนึ่งที่หาทองคําเข้าคลังหลวงเพราะนั้นวันที่หนึ่งที่จะถึงเนี่ยเป็นวันที่ร่วมกันจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาเนาะ ให้ช่วยๆกันไปฟังแล้วก็มีอะไรก่อใครจะทําบุญกับองค์หลวงตากัสุดแท้แต่ไม่มีการบังคับนะแต่ใครอยากจะได้บุญก็เอาไปถ้าไม่ใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ว่ากันแล้วก็วันที่7ที่จะถึงอีกเลยวันที่หนึ่งไปอีกวันที่7จะมีการทอดผ้าปา่าขอในมวลหลวงพ่อคูณที่นั่งอยู่ข้างหลวงพ่อนี่กับกลุ่มคณะสงฆ์ผูบาอาจารย์หลวงพ่อสร้างตึกหนีไฟที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร ตึกนี้ไฟสิบชั้นเคียงคู่กับตึกลงต า, อ า, อาจอดรถประมาณเจ็ดร้อยคันตึกหลังนี้เดี๋ยวนี้เทถึงถึงชั้นที่แปดแล้วเดือนธันวาเนี่ยกับไปว่าจะจบกันแต่ยังขาดทุนทรัพย์บางส่วนแต่หลวงพ่อก็คิดว่าทีแรกยังไม่จะไม่ทำคือสะพานเชื่อมนั่นนะ่ะหลวงพ่อคิดว่าจะทำเพียง 2, สองสามสะพานก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ต่อมาเนี่ย ทางโรงพยาบาลผู้เกี่ยวข้องอว้ให้หลวงพ่อคิดดูซิว่าหลวงพ่อจะทํากี่กี่ชั้นสะพานเชื่อมหลวงพ่อมาพิจารณาดูว่าเออทางวัดเราทําน้อยต่อไปภายภาคห น, น้าลูกหลานถูกไฟไหม้ตึกหลงตาขึ้นมาแล้วคนก็วิ่งออกมาแล้วก็เอาทําไมคนโบราณเขาไ่ทําสะพานทุกเชื่อมทุกชั้นไงทำไมทำซึงสองชั้นชั้นเท่านั้นเองมันขึ้นลงยากเหลือเกินน่ย เดี๋ยวเขาก็จะด่าคนโบราณอีกทีนี่หลวงพ่ออน่าจะน่าจะน่าจะรับทั้งหมดนั่นแหละก็เลยทําทั้งเจ็ดชั้นนะคือชั้นเก้าชั้นชั้นเก้าชั้นแปดชั้นเจดชั้นหกชั้นหชั้นสี่ชั้นสามถึงชั้นสามรวมแล้วมันเป็ดเจ็ดชั้นก็เลยจะต้องหาเงินเพิ่มอีกทีนี่เพราะนั้นที่หลวงพ่อบอกกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ไม่ใช่หาเงินเข้ากระเป๋าหลวงพ่อนะเป็นเงินกระเป๋าเพื่อ ให้ชุมชนของพวกเราได้รับความสะดวกสบายต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นพวกเราจะได้ไปพักโรงพยาบาลหรือไปนอนที่ตึกของหลวงตาที่มีไฟไหม้ขึ้นมาพวกเราจะได้หาทางออกวิ่งออกมาได้แล้วก็ไปที่จอดรถได้อีกต่างหากนะเนี่ยหลวงพ่อคิดคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันที่เจ็ดเน้่ยบอกกล่าวเล่าสิบพี่น้องลูกหลานคณะสัยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าให้ไปช่วยๆกัน เงินขาดอยู่เท่าไหร่หลวงพ่อประมาณหลวงพ่อบอกประมาณหกล้านเงินขาดตัวนี้นะเงินทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่ล้านแปดสิบสี่ล้านแปดสิบสี่ล้านเนี่ยได้มาแล้วยังยังขาดอยู่ประมาณแค่หกล้านนี่แหละยังน้อยอยู่ยังน้อยขาดเกือบจะพอแล้วแหละแตถ้าว่าพี่น้องจะทายาติโยมลูกลานลุมล่มมลุ่มมาต้มกันก็ไม่น่าจะหนักหนาหลวงพ่อว่านะเอาต่อมินนี้ไป เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงปู่คูณจะประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้จบไปเลยนะประพรมน้ำประพุทธมนต์เล ย, นะเลยและก็ขออํานวยอวยพรพระผู้ที่กเกษียณอายุราชการออกไปทําการทํางานก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภ า, าละร่ํารวยโชคดีให้มีแต่ความสุขความเจริญและก็พร้อมกันแกจะเป็นลืมสิ่ลืมทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ออพอเราเราเป็นผู้กเกษียณอายุแล้วแนี่ทำดีนะแต่นี้นะไมีแ้่ให้ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติแตนี่หาหนทางเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแตะก่อนหาวัตถุภายนอกแต่เป็นหาศีลหาธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจและหลวงพ่อว่านะ